พัฒนาด้วยกันเป็นปัญญาสติปัญญาปัญญาที่ยังไม่เกิดเป็นปรรัญญาโดย อ, อัตโนมัติยังไม่เกิดเป็นปัญญายามันเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานที่เราใช้ใช้ความนึกความคิดใช้ความนึกใช้ความคิดหัดดูกิริยาอาการไปในจิตของเราเช่นอย่างราพิจร า, า, ารณาขันาเลย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 พิจารณาเห็นกายเป็นส่วนประกอบมีส่วนประกอบมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุลมมีธาตุไฟเราแยกแยกผู้รู้ว่าผู้รู้ว่าเป็นกายผู้รู้ว่ามีกายมันมีตัางหากคือจิตคือผู้รู้คือธาตุรู้แต่ตัวเหตุที่ธาตุรู้มีความอยากลิ่นรอนอยู่ข้างในมันไม่ใช่ธาตุรู้ที่บริสุทธ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 ของมันเป็นมาของมันเราไม่ได้ดูไม่ได้ย้อนดูให้เห็นเป็นเหตุเห็นเป็นปัจจัยเรารู้ว่าเราเกิดในท้องแม่เราก็ไม่รู้เรื่องเราเกิดในท้องแม่โตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยเกือเดือนเือเดือนเก้าเดือนออกมาเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องอาศัยว่ามีจิตของเราหนึ่งเข้าไปจับไปจอง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 สามารถทำได้ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าได้ทำสืบช่วงให้ยาวกีกันพื้ไปได้มันก็เป็นการเหมือนกับมันแยกโดยอัตโนมัติเข้ามาทำได้เต็มที่มีพื้นมีฐานมีอำนาจเต็มที่ทำลายการยึดมั่นทำลายการถือมั่นเกิด ค, ความสำคัญทำลายความสำคัญมั่นหมายที่มันมายึดเอามาถือเอาได้ เห็นกายสักถวาตพินกายไปเห็นผู้รู้สักถวัตผู้รู้ไปผู้รู้ผู้รู้ไม่มีผู้อยากอยากไปยึดอยากไปถือโดยเหที่ปล่อยให้ยึดให้ถือมาตั้งแต่กี่กับการปุริชาติมาจนไม่รู้จักหมดไม่รู้จับสิ้นซ้ำรากอยู่นั้นแหละจนเคยจนเคยฉิน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 ท, ทจิตอกจิตใจมันเคลิ้นไปกับสิลนั้นมันเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สมถะคเว่าสมถ์สมทะคือสงบเข้ามาจักให้มันอยู่หยุดอบอกให้มัน่ยุ่เฉยมันไม่หยุดนะต้องทำงานให้มันเอาสิ่งที่เป็นธรรมมาบริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธ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 มีสติตื่นรูร้ร่บริกรรมอยู่อยู่กับงานไม่ปล่อยมันอยู่กับงานไม่ปล่อยมันเนี่ยทำไปทำไปทำไปแล้กจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นบากเป็นฐานเสร็จแล้วค่อยพิจารณาพิจารณาแบบนี้แหละเห็นไหมเราเห็นโพดชงสติธรรมวิจัตรสอดสองธรรมก็คือพิจารณาธรรมส่วนไหนที่เป็นรูปธรรมส่วนไหนที่เป็นนามธรรม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 อะไรตัวนั้นเป็นเราผมเราเลยผลของเราผมของเราเยยำจ่อไปดูไอตัวที่คําว่าเราเราหรจ่อไปดูตัวนักคืออะไรมันเปการทําทลายความหลงอีกทีหนึ่งบางทีมันบอกไปด้วยอาการของความรุ่มหลงเพลินหลงเดินยึดเพลินเกาะเพ ล, นลินถือจ่อลงไป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 ธรรมวิจยะธรรมวิจยะทำด้วยวิริยะวิริยะธรรมวิจยะแปลว่าสอดส่องสอดส่องคือการใช้ปัญญาวิริยะก็คือขยันมันเพียนสอดส่องวิริยะปีติปีติก็คือผลปรากฏปิติควา ม, มอิอ่มเอิบปัสจัติความสงบ